En dan gaan ใจให้พร้อมกันเลยเพราะว่าอืมท่านทั้งหลายมุ่งมั่นในจุดเดียวกันคือว่าต้องการความสุขความ พวกมันว่างมันเปล่าไปแหละมันว่างมันเปล่าไปเราเห็นใบ ท่าน 4 ขั้น 5 ของมนุษย์ของพวกเราเออ มันเกิดให้เป็นตัวอย่างให้คนที่ไม่ประมาทใจปิติอยู่ทั่ว เนี่ยเรารับผ่อนกับพวกเราทุกครั้งทุกเวลาอืมเพราะว่าเราตามบิดามารดาของพวกเราพบธรรมพระพุทธเจ้าเปิ้นแยก ความเกิดความเจ็บความแก่ความตายก็คือพฤติกรรมชินให้เราไปปฏิบัติ กราบคุณพ่อ เนื่องคาบสงฆ์สังฆาให้เขามี เพื่อคือยุคที่เรายังเป็นลม เห็นแล้วก็ว่าพระพุทธเจ้าอืมประสูติก็ประสูติที่ป่า มันไปถึงที่สุดน่ะไปหาจนถึงที่สุด มันมากต่อมากท่านสร้างเสลวธรรมในวันนี้เลยสร้างสมบูรณ์ไปไม่ได้ไม่ได้ทานแต่เราไม่ ร้องสูคัน ถ้าไปสัมผัสกับจิตที่เพิ่นสร้างกิเลสลง ฝั่นล้นตาบัวหลวงอืม อ่าใบบัวมันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็น้ําไม่ติดน่ะอืมเพิ่นตกอะไรน้ําไปมันก็ไหลนี้หมดมัน สมว่าเมืองเราแข็งแกร่งทนทานขนาดไหนนี่เหยียบมาแต่พวกย่าตายายเออมาสะทกสะเทือนวันวายเออเพราะเตือนสติของพวกเราต่อไปข้าง ทำภาวนาได้ภาวนาได้รักษา ภูมิมั่นไว้อยู่ในธาตุ 4500 นี่มันออกจากล่างนี้ไปผู้สงบปลงเจนกันนี้ ที่เราเสื้อจน ว่างป่าวไปเลยว่างป่าวไปแล้วให้วันหนึ่งปกติตัดให้มึงบ่มาเกิดอีกก็ได้พอบ่มาเกิดอีกเราก็มีความสุข <c oughs> Santama yang budhasa pakavato buhapa kanama kalang kaloma se moantasa pakavato kalahato samma na moa tata samma sambotasa. Na moa tata bakawato alahato samma sambotasa. Mutanga yuatanang, tivetangyao, nipanang saranang kasame. Tamanga yuatanang, tivetangyao, nipanang saranang kasha. Sami KANG AYUWADHANANG SIWITANG YAHWA NIMANAN SARANANG KASAMI LHU SIAM PIMBUDHAN AYUWADHANANG SIWITANG SARANANG KASAMI Jau ti ampe dhamma'ng ayuva dhanang sivit yavani bhanang saranang hantame Bhūti ampe sankhāng ayuva dhanang sivit dhāng yavani bhanang saranang hatsame Sipi ampe budhāng ayuva dhanang sivit dhāng yavani bhanang saranang hatsame Satiyampi ampi, tamanga, uatanang, kivitang, yawani, panang, saranang, kachamil. Tati ampi, sankanga, uatanang, kivitang, yawani, panang, saranang, kachamil. Natime, sarananganjang, kudhome, saranang, warang, e sena, sa, javasena, soati mehotu, sapada. Na thi me saraṇaṁ gacchāṁ dhammo me saraṇaṁ varan ye te na sā ca va tena นาธิเมสรณังอัญญังสังภะเม maar ik kon dat hoog. Sukayasapaninam. Voor het awa parami. Sapato sampo En vatu sampo himuttamang he tena sajwa tena amahuntu sapo patava mahuvesarana yanti tadaniwana nica alamanuka cetani manusapaya tatita ne tangco sarana che mang ne tang sarana himuttamang ne tang sarana makama samadu ka paramoja ti yo cha mothana thamana stangana saranakato cha tari arya sacca ni sama panya yapa sati dukhang dukha samupada dukha sacca tikamang hariya kaang tikang dukupa samakaminang etang saranakemang eh, tangsarana, makama, samba, luka, pamo, jati, namorazo, samma, sambutasame, namo namota, makamasa, sava, kata, seva, tenita, namo, maha, sanka, sapi, visuta, seva, dit, Namo Om Ma Traya Ratthasa Ratana Trayasa Sadukang Namo Om Ma Namo kala Vena Avi Khansantu Pathava Namo kala Upavena Asuathi Hutu Sappada Namo kala Taseena Avi sava metanca safruka saming mana sampa, maye apali mana, wothangato jatrianca samba thangawe ranga sampatang. De thanjarang inzinnova ayana novaya watasavi kadamintho. Ee tamsa sing eethaya prama metang mihalang ithamahun. De Tijanopakama, Silavada Salina Sampano, Kamesuvela Yaketa, Nahita Suka Punareti, Apamano Buto, Apamano Ramo, Apamano Sampo, Amanavantani Serin Sapani, Ahivishika Satapati, Sana Pisarapo Bhagavān, bhagavān, bhagavān, bhagavān, bhagavān, bhagavān, bhagavān, bhagavān, bhagavān, bhagavān, bhagavān, bhagavān, bhagavān, bhagavān, bhagavān, Sapa putan of avena, tot Hontu onto sabang sumankara, lakanto sapatevata, sapataman of avena, tot heel hunto nilantarang, onto sabang sumankara, lakanto sapatevata, sapatankan of avena, zo te hondo nilandarang. Datu, datu, na mo datza, patavato, samma, samputatza, na mo พระภาคเจ้าตรัสว่า สำหรับผู้ให้เครื่อง 5 ประการ 6 ดังต่อไปนี้คือให้อายุวรรณะสุขะพละและ 5 ประการนั้นด้วยท่านผู้ร่วมบุญทั้งหลายบุญนี้จะนะโม dat vaak, Piku, Zankatsa. O Satuno chayama, no chayama Satu no pante Hikku sangko, sangko Imani, imani Pattani Sapariwarani, sapariwarani, sapariwarani Patikan hatu Amhakang Hikaratang Hikdaya Sukaya. แต่พระภิกษุ กับทั้งของบริวารทั้งช่วยเป็นประโยชน์ ความสุขความเจริญความสุขความเจริญ เสด็จสู่สวรรค์คาไลเสด็จสู่ program นายและด้วยผลบุญแห่งทานในครั้งนี้สัพพสัตว์ทั้งหลาย ละพรต่อแล้ว กายสุขภาพแข็งแรงตัวอายุให้เป็นสิริมงคลคิดตั้งแต่สมัยคิดแล้วได้พบ สู่กาลนานถ้าผู้ใดประมวล เงินผู้โทรหนายัดผู้ทุกเมื่อทุกเวลาวันนี้มุ่ง สังคามกันไปว่างๆแล้ว ขอบุญกับอาศัยขันธ์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 Dat het een heel belangrijk en die nu pawe, nasa, patama, nu pawe, nasa, pasan, nu pawe, navoor, tarata, nang tam, marata, nang, sankarata, in nang, latana, nang, nu pawe, nasa, Nupave na pita kaya nu pave na sina ma kana pave na mete lokasa mete paya sabete antaraya sabete upatava sabete thone meta avama Toa, tua, tako, tarawa, tako, zeriva, tako, tako, parawa, tako, wanawa, tako, I yeah. Zij zit dan, zacht, zacht, zacht, zacht, zacht, zacht, zacht, apa te vata nu sa dat je een beetje een beetje